บทภาชณีติกาปาจิตตีร้อยแปดสิไม่เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าไม่เป็นไข้กั้น ร, ร่มและสวมรองเท้าต้องอบัติปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจกั้นร jij, ่มและสวมรองเท้าต้องอบัติปาจิตตีไม่เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอบัตตปาจิตตีทุกกด พิกซ์นีกั้นร่มแต่ไม่สวมรองเท้าต้องอบวบทุกกฎพิกษ์นีสวมรองเท้าแต่ไม่กั้นร่มต้องอบวบทุกกฎเป็นไข้พิกษ์นีสําคัญว่าไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอบัตถูกกดเป็นไข้พิกษ์นีไม่แน่ใจกั้นร่มและสวมรองเท้าต้องอบัตถูกกฎเป็นไข้พิกษ์นีสําคัญว่าเป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้าไม่ต้องอบับ